แล้วก็ออกไปทางกายและทางวาจาใจาเป็นต้นก็ ย, ย้ายย่างก็แปลว่าลักษณะนี้คือการไม่ละลวงทีนี้การไม่ก้าวล่วงเนี่ยพูดตรงนี้ย่อๆไว้แต่การไม่ก้าวล่วงเนี่ยเขาจะออกไปตามลําดับเลยนะเอาอิติกรรมะเนี่ยหรือตัวศีลจริงๆเนี่ยไม่ใช่ต่าําๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นของเล็กๆศีลเนี่ยพูดตั้งแต่ระดับชั้นกุศลจิต แล้วก็จะเดินเป็นไปตามดับไปจนถึงมหาคตะจากมหาคตาจนถึงโลกุตละก็มีศีนั้นสีไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่คิดสีเนี่ยจะเริ่มพัฒนาจากนี่ยเริ่มต้นๆเนี่ยจากตั้งแต่เริ่มข้อวัดเอ่ยจากปฏิโมกสังวรสีอาชีวะบริสุทธิสีปัจิยสนิสิตาศีเนี่ยนะแล้วก็อย่างในเรื่องของอาชีวะปริสุทธิสีปัจจยสนิสิตาสีไม่ต้นเนี่ย เริ่มเป็นต้นแล้วก็ขัดกาวไปจนถึงออกจากนิโวออกจากออกจากอักษรธรรมบทศิษยออกจากนิวรนเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเลยนะจนยันบุตรอมยานตุเดชานตัวกุศลศีลมันก็จะเดินไปเรื่อยแต่ตัวไหนเดินได้ก็เดินถ้าในมหากษัตริยวิรตีไม่เข้าไปแต่เจตนาแปไปด้วยนะเจตสิกยตัวอื่นไปนะเนี่ยสังวรไปอยู่นะเนี่ยนะะ แล้วก็ตัวอวิติกรรมการไม่เข้าร่วมกับไปอยู่ไงนักก็เข้าจนถึงชั้นของโลกุตระพ้นทุกข์ถามว่าในมรรคมีศีลไหมเห็นไหมมีมีมีสัมมาวจาอย่างนั้นไหมสัมมากรรมตะอย่างนั้นไหมสัมมาชีวะอย่างนั้นไหมมีตัวเจตนาไหมออกสีเห็นไหมทีนี้ยมีความไม่โลภอยนั้นไหมมีความไม่โกรธไหมหมู่เห็นไหมตัวเจตสิกสีเต็มหมดเลย งั้นตัวเจต ส, ส, สิกสิงก็ไปไประชุมเป็นสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาก็ไปไประชุมในโลกุตละนุนใช่ถึงโลกุตระธรรมนียิ่งพานเบลล์ลงนั่นหลยไ ง, ง, งก็กงกไก่ต้องใช้ยันด็อกเตอร์ไหมนั่นศีงก็ต้องใช้ยันนั่นแหละสีลต้องใช้ยันโลกุตระธรรม ไปถึงนู่นเลยต้องกตะละเลยต้องไปเกื้อนหนุนนู่นเลยมัดให้เกิดขึ้นเลยเข้าใจครับสีเลนันนี้พุทตินติ ย, นตยังเข้าใจอย่างนี้สีเลยนนี้พุทธินตินต <laughs> สีนนะ่ะศี น, น่ะสามารถนู่นะมีอิพานเป็นอารมณ์ได้เลย ถ้าใช้ยังชีตบตรงศีลสําคัญไหมสำคัญนะถ้าไม่มีศีลพ้นทุกได้ไหม <Okay. S 1> ถ้าไม่สมาทานศีลจะทำไงในชีวิตไม่ต้องสมาทานศีลได้ไหม <Okay. S 1> ต้องสมาทานไหม <Okay. S 1> ไม่สมาทานนะขาดก็ทํำองค์พุทธเจ้าอะไรยุ่งเหมือนตองรงนั้นแล้วไปต้องไปตอบปัญหาไม่ได้ด้วยนะจะตอบปัญหาท่านไรู้ไม่ได้ก็ถามขึม้นมาติดเลย ไม่ได้ถ้าต่อไปแยกเจตนาเนี่ยเวลาเหลือน้อยแล้วนี่ตอนนี้ยังไปเจตนาต้องกลับมาย้อนดูเจตนาอีกานีเนี่ยทําไมต้องมาย้อนเจตนาแต่เนี่ยตอนนี้ถือว่าเรียนละเอียดพอสมควรนะใช่ไหมถือว่าละเอียดแล้วเนี่ยมาถ้าเท่าที่ออกมาบรรยายศีลมาเนี่ยเท่าที่จะทําได้วันนี้นิดนะ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 สมาวะจาสมากมฐาสมาชีวะไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ปัญญานี่จำํำง่ายอย่างนี้นะได้หกตัวในเจตนาศีนกเจตสิกศีนเขาผัดกันผัดเปลี่ยนกันบางครั้งเจตนาศีลเป็นประธานบางครั้งเจตสิกศีลเป็นประธานถ้าไฟใดเป็นประธานไฟที่เหลือก็อนุกูลตามคล้อยตามอนุโลมตาม มันแล้วจะใครจะวิเศษยิ่งกว่ากันถ้าเจตนาวิเศษยิ่งกว่าเจตจะสิกสีน ก, ก็คอยคอยเกื้อหนุนและช่วยเหลือถ้าเวลาใดเจตสิกสีนวิเศษยิ่งกว่าเจตนาศีนก็กอยู่ในฐานะคอยคอยตามไม่ใช่ว่าเอ้าอยากใหญ่ก็ใหญ่ไปที่ั้น <laughs> <laughs> เขาจะไม่แตกแยกกันนะเหมือ น, นคนทะเลาะกัน เขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะเกิดด้วยกันนะเจตนาเนี่ยเจตนาศีกับเจตสิกสีเนี่ยเขาจะเกิดด้วยการเกิดพร้อมกันด้วยฐานะเป็นสหาชาตะเกิดพร้อมกันไหมในฐานะกุศลจิตนะคือเจตนากับเจตสิกเนี่ยเขาจะเป็นสหาชาตะแต่ไม่ใช่ทตัวเราต้องดูด้วยนะที่พูดพูดโดยรวมเป็นสาชาตินิสยะเกิดพร้อมกันด้วยอาศัยกันด้วยเป็นสาชาติที เกิดพร้อมกันด้วยยังมีอยู่ด้วยซาชาตวิกตะเกิดพร้อมกันด้วยยังไม่ปราศจากไปด้วยเป็นอัญญาบรรยักษ์คำว่าคำว่าแก่กาลังกาะไรซึ่งกาลังกาลังหมายบอกว่าเขาขากันไม่ได้ขาดกันไม่ได้แล้วก็เป็นสัมปยุตตะประกอบกันนี่ก็เข้าใจเลยนะทีเมื่อเขาเกิดร่วมกันในลักษณะนี้เขาเกื้อหนุนกันอย่างนี้มันอยู่ตรงว่าใครจะวิเศษยิ่งกว่า ในขณะนั้นในเวลานั้นตอนนี้พูดถึงเจตนาวิเศษยิ่งกว่าตัวเจตสิกศีนก็มาเกื้อกูลคอยตามแล้วก็ไปตามเจตนานะหรือบางครั้งบางคราวเจตสิกสีนเนี่ยวิเศษยิ่งกว่าเจตนาก็คอยตามเกื้อหนเป็นไฟในลักษณะอยนี้นะอันนี้แปลว่าก็เป็นธรรมะที่เกิดร่วมกันนี่นี่เป็นไปอย่างนี้นะ ทีนี้ถ้าทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าถ้าเจตนาศีลเจตนาศีลก็แค่เจตนาที่เป็นประธานที่ประกอบไปด้วยการขวนขวายในะในการที่จะงดเว้นจากบาปทางกายและทางวาจาส่วนวิรัตเนี่ยนะก็หมายความว่าเป็นผู้วิรัตอยู่จากทุจริตทั้งหลายงดเว้นเนี่ยวิรัติแต่อมงดเว้นนะงดเว้นจากกายจากทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะ จริงตัวมโนตัจริตต่างๆเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วทีนี้ในสองประการเนี่ยถ้าเทียบเคียงเทียบเคียงในการใดดังที่ได้กล่าวพระุทธเจ้า ก, กล่าวเนี่ยดูก่อนพิสูนทั้งหลายนะในกายสังเจตนาสามก็หมายความบอกว่ากายกรรมที่เป็นกุศลวัจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลนี่ย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 ก็การงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดทำอยางเพื่อเยอะอันนั้นคือเจตนามาจัดแจงถ้าเป็นด้านหังใจก็คือไม่โลภไม่โกรธและปัญญาเกิดขึ้นไอตัวเจตนาเป็นตัวจัดแจงจัดแจงให้ความไม่โลภเกิดขึ้นจัดแจงให้ความไม่โกรธเกิดขึ้นจัดแจงให้ปัญญาเกิดขึ้นตัวนั้นแต่ว่าเจตนาวิเศษยิ่งกว่ายิ่งกว่าเจตสิกเพราใจไหมยิ่งกว่าเจตสิกยิ่งกว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญา ยิ่งกว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมต่าสมาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่เกิดพร้อมกันทั้งหมดอันก็ว่าไปแต่ว่าตอนนั้นเจตนามาวิเศษยิ่งกว่าลักษณะอย่างเนี้ยเจตนานั่นแหละส่วนวิรัตน์นะพวกสัมมาวาจาสัมมากรรมต่าสมาชีวะความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเนี่ยที่ประกอบกับเจตนานั้นก็เป็นฝักฝ่าย ค้อยตามอนุโลมตามเดินตามใช้คำว่าเดินตามเนยะเป็นจานวนนะคำว่าเดินตามได้จริงเกิดพร้อมกันไหมพร้อมกันแต่ว่าเจตนาเขาวิเศษกว่าอย่างนี้เป็นไปส่วนของกายสังเจตนาวจีสังเจตนา<ม>เป็นต้นแล้วก็มโนสังเจตนา<ม>ใช่ไหมเจตนาสามเหล่านี้ยเวลาเกิดขึ้นมาเป็นเสร็จแล้วที่เป็นไปในส่วนของกายสังเจตนาวจีสังเจตนามโนสังเจตนาที่เป็นกุศล นี่เป็นพุทธพจน์ถ้าในกรณีอย่างนี้แปลว่าเจตนานั้นใหญ่กว่าไหมเป็นประธานแล้วบ่อยไหมชีวิตอ่ะดูชีวิตจริงเคยตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไหมแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาเข้าใจอู้เราคิดถูกเราตั้งใจไว้ถูกดีแล้วหรือบางทีโอ้โหดีแล้วเกินเนะี้ยทําให้เรางดเว้นได้ไอ้เจตนาก็วิเศษยิ่งกว่าเห็นไหมก็เป็นไปไแค่เรื่อเกี่ยวกับความตั้งใจ กิจาการสมาทานั้นการตั้งใจบ่อยๆดีไหมตั้งวันละหลายร้อยรอบตั้งไปหูนั่นแหละมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเข้าใจเจตนาศีลกรณีลักษณะอย่างเนี้ยแม้เจตนาในความจงใจจัดแจงในการที่จะบำเพ็ญวัดให้เต็มกับไปจะ ก, กว่าในฐานะเป็นลูกในฐานะเป็นแม่ที่ควรปฏิบัติต่อ พ่ออย่างไงต่อลูกอย่างไงใช่ไหมเออล้วไปยังไม่มีใครมาเราเป็นแม่ไม่ควรทำข้อวัดข้อนี้ไม่ใช่นะไม่นำมาออกบิณฑบาตเอามาเป็นพระเอาภาษามากกว่ามีพระอยู่ด้วยภาษาได้กว่าที่เอามากลับมาก่อนดไม่ได้แล้วว่าแล้วนอนพระ ก, ก่อนดีกว่านี่ไม่ควรจะเอามาอามาก็ต้องมาจัดแจงดิทําก่อนจัดแจงจัดของถูตักกวาดเพราะอามาบนเป็นวัดอย่างเงี้ย เจตนาต้องเกิดใช่ไหมนี่เขาเรียกเจตนานี่เป็นจารีอันนี้เป็นข้อวัดที่ทําอย่างนั้นเพราะทตามข้อวัดเพื่อจะทําข้อวัดให้มันเต็มให้มันบริบูรณ์เพื่อจะได้ไปเกื้อกูลปาติโมกข์สังวรศีลองยมาพวกเราก็เหมือนกันกรณีที่สี่ห้าที่มันบกพร่องกระพร่องกระแ พ, ง, พงเนี่ยเพราะข้อวัดไม่บริบูรณ์อันนี้เราก็เริ่มไปถมให้เต็มต่อไปมันจะได้ไม่จก งั้นกลับไปก็ไปถมไปทำให้มันเต็ม เ, เข้าใจใช่ไหมชัดไหมตรงเนี้ยแล้วใครยังไม่เข้าใจอ่ะข้างหลังเข้าใจว่านี่เขาเรียกว่าเจตนาความจงใจจะจัดแจงข้อวัดให้บริบูรณ์คาว่าข้อวัดในที่นั้นก็แปลว่าอะไรหน้าที่อะทำหน้าที่ไปด้วยจิตเป็นงไงจิตต้องเป็นกุศลไหมต้องเป็นกุศลมันถึงจะบริบูรณ อย่างเนี้ยเขาเรียกข้อวัดอบูชาพุลของใครพราะพระุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ า, จ า, จาบอกเขาไว้บอกอย่างนี้หวังดีกับเราเนะเพื่อต้องการให้เรานั้ยน่ะพออพูลข้อวัดให้บริบูรณ์ศีลจักบริบูรณ์ได้จริงไหมโยมบงคนตังค์คงี้ชัดไหก่อนเนี้ยเนี่เขาเรียกว่าเจตนามาอยู่ในฐานะเป็น เ, เป็นประธานหรือวิเศษกว่าเจตสิกศีล แต่วันนี้ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่รจะทำยงไงแล้วทเอาสายโยงลาพักสองอาทิแล้นฮะก็รู้ว่าสั้นก็ตอบยาวๆแม่ไงบอกว่าไปท่องอยู่เรื่อยเลยคำว่าสัญญาสั้นสัญญาสั้นท่องหลบเลี่ยงคำสอนไม่เหมาะเลยใช่ไห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 วิธีคิดมันต้องอย่างงี้ไม่ใช่เหรอมันความจําไม่ดีก็ปล่อยดันพูดไปสิเข้าใจยังถ้ามันมันต้องเป็นแบบนี้มหมอ้าดถามว่าอายุเดินไปเรื่อยๆความจํามันจะยิ่งวิเศษ <c oughs> ยิ่งไหมน้เข้าเนี่ยก็ถามว่าจําชื่อก็เองได้มั้ยรดน้ําตาไหลจําไม่ได้ <c oughs> จําไม่ไนดะ้เป็นอย่างงั้จริง พอได้ที่ไหนแล้วถ้ากรรมต้องไปเจอใช่ไหมก็ลองคิดดูขนาดเราตั้งใจขนาดนี้มันยังแอบหลับตลอดหลายคนไม่อยากหลับนะจริงไหมพี่เจี๊ยไม่อยากเป็นหรอกใครไม่อยากเป็นมาเจริญกุศลมานั่งหลับเนี่ยไม่ได้บุญที่ไหนแล้วแต่ว่าเพราะความจำหรือสติไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้ยังเจริญกุศลได้นะแต่จะมีสักวันหนึ่งในอนาคตเราจะเจะเลยอะไรไม่ได้เลย จะระ ล, ลึกอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องระดมความเพียรนี่ยังต้องรีบระดมต้องไม่ประมาทอันนั้นไม่ใช่ขู่เกิดแน่นอนทุกคนเป็นอย่างนี้โยมทุกคตอนนี้ยังถอนได้แต่ต่อไปจะเจริญไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้โอยอายุเท่านี้เท่านี้แล้วนะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นั้นต้องรีบระดดมเพราะต่อไปเนี่ยเรียบร้อยเราจะได้ไม่ได้มีฐานะมานั่งฟังอามาก็จะมานั่งบรรยายไม่ได้อีกแล้ว นอนาคตเกิดแน่นอนแล้วก็อนาคตที่ไม่ไกลต่างฝ่ายต่างก็ย่ำแย่กันไม่เดียวเป็นยังไงใช่ไห ม, ไ ม, ไมดีแล้วใช่ ก็ก็ถึงบอกเลยอกว่าจริงๆแล้วก็คือพวกเราเนั่ยมันนักโทษประหารรอการเข้าเข้าที่ค่าเขาเขาตัดสินแล้ววันที่ถือปฏิสันทินั่นแหละนั่นหละคือการถูกประหารสั่งให้ประหารชีวิตพวกเราเนี่ยให้จำเอาไว้เลยนะว่าเป็นนักโทษประหาร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 เอามาเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเหนเ็นไหมเป็นตือนจริงๆไม่ ไ, <ป S 1> ไ ม, ไ<ป>ไม่ไม่ใช่ ไ, ไม่ใช่ว่าพูดทุกครั้งออามาเตือนทุกครั้งใช่ ไ, <ป>หไหมเอาสิจะหนีไปไหนหนีที่ก็ถูกล็อกไว้แล้วะวิ่งไปไหนเขาก็ตาบา้าหันเหมือนคนติดคนะุกอ่ะวิ่งไปก็ลอบคุกอยู่แค่นี้ก็ถูกฆ่ า, าวิ่งเหนื่อยเปล่า มีอย่างเดียวยอมรับเสียเถอะว่าเราเนี่ยเป็นนักโทษประหารแล้วไม่แค่ยอมรั บ, ร บ, รรรรบรแล้วะอะไ ร, ร, รจะเกิดก็เกิดอย่าไปคิดอย่างนี้ในยุ่งมีคิดอย่างมโางมหะจนีต้องระดมความเพียรอย่างเดียวยิ่งๆนะต้องคิดอย่างนี้จริงๆถ้าไม่คิดอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่เตือนตัวเองบ่อยๆนะเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วขนาดคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วยังไม่คิดว่า เ, เราไม่ได้เป็นนักโทษเว้ยเราไม่ได้ถูกประหารล้วก็คิดเงี้ยแท้จริงคือนักโทษปรหาร แล้วติดคุกด้วยแล้วออกจากคุกไม่ได้ไไได้วยหนีไม่พ้นนะ่ะแต่มันมีเรื่องที่เราต้องระดมความเพียรที่จะออกจากสังสารวัตรได้มีอยู่มีช่องทางอยู่ทางมีอยู่คนบอกทางก็มีอยู่คนที่เขาเดินวบะลุ ก, ก็มีอยู่ใช่ไหแล้วเราไม่ไม่เดินไม่ไม่เดินก็นจะเข้าสู่ทางนั้นมันไม่ใช่ความผิดของทาง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 ใช่ไหมรอเดี๋ยวมันก็ฝนตกมันมีรอเดี๋ยวสมัมมันก็วิ่งมาหาเราอย่างเงี้ยนะไปคิดอย่างนี้มันเรียกว่าไปคิดเหมือนไสเดือนกินดินไม่ได้กวัวเป็นดินจะหมดก็ค่อยๆกินเนี่ยไม่ได้ถ้าเจริญกุศลไม่ไปค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างไสเดือนกินดินที่เนี่นยนี่คืงทีงานเดื มันต้องคิดในลักษณะต้องระดมต้องระดมความเพียรคําว่าระดมความเพียรในที่นั้นก็คือตั้งโยนิสงสกานิสการเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อจะระดมสมาธิถี่เป็นต้นนะเพื่อจะระดมนั่นแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นนะ่ะให้เกดิดขึ้นมันต้องระดมในลักษณะอย่างนั้นถ้าหากไม่ระดมในลักษณะอย่างเนี้ยน่งเข้านั่งเข้าเรียบร้อยเลยก็มอ น, นั่งกอดข่าวเจ้าจุกอยู่ในสังสารวัฏ เขาก็พ้นกันแล้วพ้นกันเราบรรลุแล้วบรรลุเราก็เหลือเด่ยเราอยู่เนี่ยมานั่งแกะกันอยู่ เ, เนี่ยนะแล้วก็ออกอย่างว่าต่าไปได้ใช่ไหมเสียหายไหมเสียเล ย, ย่นี้ทีนี้เจตสิกศีนถ้าหากในกรณีที่เจตสิกสีนนะสัมมาวจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะหรือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญานี่นะมีความวิเศษ อยู่ในฐานะเป็นประธานของเจดนาที่เป็นไปอยู่นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดความไม่โลภเกิดขึ้นดังที่ถามเพราะความไม่โลภเกิดขึ้นมา ป, ปุ๊บเกิดความไม่โลภมีความไม่อยากได้ไม่ยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองแล้วไม่พอแค่นั้นแล้วส น, น้อมในการที่จะปิดบาปประธรมทั้งหลาย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 ในชีวิตเราก็มาสังเกตว่ามีจริงๆบางครั้งตอนนี่แหละเมตตานี่แหละมาเป็นใหญ่ใช่ไหมมีความรักมีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความเอื้อทอนเคยเป็นไหมโยมบงคนแบบแบบจับจิตจับใจอะเมตตาจริงๆเลยอะไม่ได้หวังอะไรตอบแทนมีความรักปรารถนาดีทั้งวาจาก็ะปรารถนาจะพูด่นะ พอเกิดความรักเกิดความเมตตาต่างๆเนี่ยเวลาจะพูดกับเขาก็พูดได้เมตตาไอ้พูดได้เมตตาในขณะนั้นน้อมไปเพื่อจะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพอ้อเจอ้อด้วยไอ้เมตตาที่เกิดขึ้นนั่นแหละมากลายเป็นเจตสิกสี่แล้วก็เป็นเขาวิเศษกว่าเจตนาวิเศษกว่าเจตสิกอื่นๆเขาก็อยู่ในฐานะเป็นประธานที่เหลือทำที่เกิดร่วมก็อนุกูลตามคลอยตาม เห็นไหมก็เป็นไปลักษณะนี้ก็ทำสุจริตสามเดินเคยเร็นไหมล่ะในลักษณะนี้เมตตาก็เดินได้แต่เดินเมตตาแล้วน้องขัดเรากตายกรรมวจีกรรมให้สุจริตให้หมดจดแล้วก็มโนกรรมก็ของใสกายวา จ, าจาใจสะอาดไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเมตตาตัวอโทสามมาเป็นเจตสิกสีนอยู่ในฐานะเป็นประธาน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 เข้าใจอะไรจนละเอียดแล้วอเบสเสร็จก็น้อมขัดเจากายกรรมมจีกรรมไม่ไปัญญาชำระศีลก็คือปัญญาเป็นศีลซะเองนล่ใช่ไหมเป็นศีลซะเองเลยใช่ไห ม, ไหมก็เข้าใจเบ็ดเสร็จก็น้อมไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกรมน้อมในการที่ไม่พูดเท็จส่อเสร็จ เ, เพรา่อหิมโทษน่ยเห็นคุณของการไม่ฆ่าเห็นโทษของการฆ่าเห็นผลปรากฏเลยอ่ะเห็นชัดชัดเลยอ่ะอภเทวทัศ น้อมที่จะข่าพุทธยาดูพระเทวทัศ์กติเป็นยังไงพระเทวทัศเห็นไห้ยังสงไในแตกจากกันเห็นไหมโทษที่ทุกสีนั่นเลยอ่ะแล้วก็เห็นอยู่หรือเห็นคนทําบาปประกรรมทั้งหลายเปรดก็มีเอา้าถ้ามองไม่ชัดก็เป็นนั่งดูใบรรยศัตื์อนชัดแล้วก็มาคิดว่าทําไมเขาต้องเป็นเนื้อก็เห็นโทษของปางนาดีบาติานาทานกามเมีสุภิจาจารเห็นโทษการพูดเท็จถ้าพูดเท็จเห็นชัดไหม คนที่เกี่ยวกั น, นข้องที่มีปากทั้งหลายใช่ไหมเราจะมีปากอย่างพวกปากของสัตว์นรกชอบไหมปากของสัตว์เดรัจฉาน่ะชอบไหมล่ะหรือปากของเป็ดเนี่ยปากของอสุรกายเนี่ยไม่น่ะหรือเป็นปากของมนุษย์ก็จริงอ่ะแต่เป็นปากที่เสียหายมากเลยโรคเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งเราก็มีปัญหากันเยอะแยะเลเข้าโรงซ่อมปากกันเป็นแถวเป็นแนวเนี่ย ก็เป็นโทษจากการทุจริตทางวาจาทั้งนั้นเลยแล้วก็เห็นโทษอยู่ใช่ไหมก็เห็นคุณอยู่ว่าของการไม่ทุจริตอย่างเนี้ยพอเห็นอย่างนี้ไปเสร็จปัญญาเข้าใจตัวกรรมแล้วก็เข้าใจผลของกรรมแล้วเข้าใจดีตกรรมมันก็ชัดที่ได้ให้ผลในปัจจุบันนี้แล้วปัจจุบันกรรมที่กาลังทําอยู่มันก็ต้องชัดการเข้าใจทั้งตัวกรรมทั้งตัวศ ส, สัมภาระกรรมใช่ไหมพอเข้าใจในรักษณะเนี้ยเพปัญญาเป็นกรรมได้อ่ะ ในฐานะที่เป็นการงดเว้นจาก บ, บาปรกรรมได้มาเป็นศีลได้ก็เข้าใจครรรําว่าสะสมภารกรรมตัวญานะที่เกิดรอบเจตนาใช่ไหมลําพังเจตนาตัวเดียวจะเป็นกรรมได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาเกื้อนหนุนเนือ้อก็เริ่มเข้าใจคําว่าสัมปยุทธเข้าใจคำว่าศาสตาชัดเจนไหมเนี้ยก็จะเข้าใจชัดขึ้นถ้าอย่างเนี้ยมันก็เห็นอะไรเห็นคุณของการมีศีลอย่างทองแท้ เข้าใจพระปัญญาคุณหลวงพระรดาเจ้าไหยเข้าใจเข้าใจพระหมหากรุณาที่คุณของพระรดาเจ้าไหมเข้าใจพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระรดาเจ้าด้วยว่าพระพุทธเจ้ามีพระหมหากรุณาที่คุณดอดต่อเรามากมายยิ่งอินถ้าไม่มีพระบรมศ า, ศาสดาประทานกุศลศีลนะเพื่อประชมในกระแสะขันของโยมมงคลโยมมงคลเสียหายโยมมงคลจะมีแค่กรมสัญญา จะมีแค่โคจาราสัญญาและมรณสัญญามีสัญญาสามไงนะมีน้อมไปในเรื่องของการน้อมไปในเรื่องของการหากินน้อมไปในเรื่องการกลัวตายแต่ธรรมสัญญาไม่มีหรอกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาบอกเนี่ยพระมหากรุณาที่คุณขนาดเนี้ยเรายังไม่เห็นอย่างนี้ก็ทําให้เราลึกซึ้งในคําสอนของพระบรม ศ, ศาสดามากขึ้นว่า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาประทานกุศลศีลมาบอกเรื่องศีลมาสอนพระทรนคาสอนเราจะไปต่างจากอบัย ศ, าศาตัตรีไงการมาสัญญาน้อมเรื่องการเห็นไหมวิ่งกันในพรานหมดกับเรื่องการเห็นไหมเรื่องโคจรัสัญญาการเที่ยวหาอาหารเที่ยวเที่ยวหาทรัพย์เที่ยวในการจะสร้างธุรกิจสร้างเศษรษฐกิจสร้างอะไรก็ว่าไปเพจะหาอาหารกินเน่ยเด้หลักก็คือแค่นั้นเน่ะ แล้วก็มรณะสัญญากลัวภัยกลัวตายก็มีแค่เนี้ยแต่พราอาศัยพระบรมศาสดาใช่ไหมพระบรมศาสดามาประทานกุศลศีลมาบอกเรื่องศีลอันนี้สงฆ์กองศีลว่าถ้าคุณมีถ้าท่านมีศีลเนี่ยนะจะดียังไงพ้นจากอภัยภัยยังไงพ้นจากสังสารวัฏอย่างไรจะเป็นฐานของสมาธิปัญญาอย่างไรถ้าทุศีลแล้วจะลงอภัยทุกติวิบากนารกยังไงแล้วจะเจ็บปวดในสังสารวัฏยังไงท่านก็บอก เข้าใจใช่ไหมีปัญญาอย่างนี้ชัดไหมเออถ้าอย่างนี้ชัดก็ก็เอาประทับไว้ในใจใช่ไหมแล้วก็ให้เดินอย่างต่อเนื่องลบขึ้นอย่าให้มันหลุดใช่ไหมมันลุกขึ้นเอาหลุดอีกแล้วความเข้าใจหลุดอีกแล้วตอนนี้จะหลุดไหมโยมบางคนนะไม่ให้หลุดใช่ไหมถ้าจะหลุดก็น้อมน้อมลงลึกไป อันนี้เริ่มเห็นคุณของพุทธิย า, ยานี่เห็นคุณของกุตรศีนของพระธรรมเนี่ยศีลเป็นพระธรรมมาคุณเนียศีลเป็นพระธรรมคนที่กล่าวผู้ที่กล่าวศีล น, นั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นพระพระพุทธเจ้าคนที่ปฏิบัติตามศีลระดับโลกียะจนถึงชั้นโลกียะเขาเรียกอริยะเนี่ยโยมสุภาณหงเนี่ยต้องการจะทําตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวในสารณคมที่เดินใช่ไหม ตอนนี้ยังไม่ถึงโลกุตระสารณคมแต่จะต้องเดินทางให้ถึงถ้าไม่ถึงเจ็บปวดอาริงพวกเราอาจารย์จะมี่าดนช่วยช่วยกงั้นตรงนี้ก็ก็ในลักษณะนี้เครื่องแก้วสิกสีเ น, เนี่ยนะส่วนในกรณีที่คำปรากฏชัดหรือไม่ปรากฏชัดก็เดี๋ยวไม่ว่ากัน คงจะเดินไปจนถึงเนเอางี้เอาเอาให้เอาให้จบจบตรงเจตนาสินกับเจตสิกสินให้บริบูรณ์แล้วเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีนี่นะเดินเร็วเร็วนิดหนึ่งฮะก็ไม่รู้ติดหรือเปล่าเอาเนี่ยนอนเอาฟังให้เข้าใจเอาพอเอาฟังให้เข้าใจ ทีนี้กรณีที่เจตสิกสีนที่บอกว่าเวรตีสามอนัติชาปยาบาทขาะสัมมาธิฏฐิมีความวิเศษกว่าเจตนาที่เป็นที่อยู่โดยการที่เว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการมเว้นจากการลักการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบหรือเพื่อเจอรใจไม่โลภไม่โกรธและมีปัญญาประกอบเป็นต้นนี่ที่สําเร็จกิจได้โดยภาวะที่ตนเป็นประธานในข้อนั้นนั้นนีนในการนั้นเจตนากับวรแล้วก็นวิชาเป็นต้นนี่ เป็นฝักฝ่ายเนะี่ยก็คอยตามไปที่เจตนาในปรากฏชัดเป็นประธานในเวลาไหนในเวลาที่มีการสมาทานเนะ่ยสมาทานเจตนาที่มีอนาคตเป็นอารมณ์นี่ปรากฏชัดเช่นเราสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่าจะไม่รักจะไม่ประพฤติผิดในกรมจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดสอ่อเสียดกคำอย่าเพ้อเจอือจะไม่โลภจะไม่โกรธจกไม่หลงเนี่ยนะที่ตั้งกุศลให้สังเกตตัวที่ว่า เคยสังเกตคำสอนของพระบรมศาสดาไหมว่าถ้าคุณจะเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเนี่ยสีนห้ากุศลกรรมบทชสิบต้องชัดไม่ใช่แค่สีห้ากุศลกรรมบทสิบต้องชัดพงค์คนสมาทานเ่สีห้าแต่ไม่สมาทานกุศลกรรมบทสิบแตลว่าไม่ได้เจริญศีลในส่วนของความไม่โลภความไม่โกรธและก็ปัญญาเขาใจะยัง ฉะนั้นต่อกลับไปเนี่ยเวลาไปสมาทานศี่ห้าต้องสมาทานกุศลกรรมบท ส, สิบด้วยคือความที่งดเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสีมโนโทุจริตสามแล้วต่อประพฤติในกายสุจริตสามประพฤติในวจีสุจริตสีและในมโนสุจริตสามเพราะถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บเจตสิกศีไม่ได้เมื่อเก็บไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราจะยังอัตภาพ ให้ให้ไปถึงสุคติไม่ได้เราจะเป็นมนุษย์และเทวดาในพบต่อเทแถวต่อไปถัดไปน่นไม่ได้เลยเข้าใจยังฉะนั้นคาราวาะไม่ใช่อยู่แค่สี่ห้าถ้าอยู่แค่สี่ห้าคิดผิดสุดจริตสามที่เป็นไปในส่วนของมโนสุจริตต้องได้เข้าใจ ย, ายังโยมบางคลกลับไปก็ไปสมาทานบ่อยๆแล้วให้เข้าใจให้ตั้งใจบ่อยๆเข้าใจาใช่ไหม มันจะถึงจะเข้าใจในเรื่องของศีลชัดถ้าอย่างนั้นมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยรักษาศีลก็ยังมาเส้าหมองหมุนมัวกันอยู่นี่แหละเพราะเจตสิกศีลไม่เก็บเนี่ยไหมการศรึกษาศีลไม่บริบูรณ์มีโทษไหมละ่ะมีโทษเลยใจก็ไม่สบายแล้วจะไปเดินกุศลระดับสูงได้ยังไงจริงไหมก็เดินไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยไปเรียนว่าทำก็เรียนไปสิแต่ก็ได้มโนทุจริตกลับมา กลับมาเหรอนคนนั่นว่าล้วคนนี้สอนดีคนนั้นสอนไม่ดีไอ้คนนี้น่าเกลียดไอ้คนนั้นหน้ารักอะไรก็ไม่รู้สบายนะเข้ามาก็เบเสร็จแต่งแยกแล้วนั่งไ้ไกลนั่งใกล้เหม็นนัง่นงอะไร ก, ก็เอาไปใหญ่แล้วเข้าใจใไหมนี่มันจะมาเป็นอย่างนั้นเพราะสุดจริตไม่เดินโดยเฉพาะมโนสุจริตเข้าใจนะ้องไอจีนะนี่ชัดเจนไหมเรียกไม่ได้ยินเลย าาอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นเจตนาที่เป็นประธานก็คือในขณะที่สมาทานเจตนาที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ในสมาทานวิรัตหรือปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็ในวัตถปฏิบัติวิรัตนั้นปรากฏชัดคือถามบอกว่าพวกวิรัตีเนี่ยปรากฏชัดตอนไหนถ้าเจตนาปรากฏชัดตอนตั้งใจเจตนาจงใจจะรักษา แล้วก็สมาทานคําว่าสมาทานเนี่ยไม่ใช่ไปเปล่งวาจายอย่างเดียวก็สิตั้งใจปุ๊บเป็นแล้วถ้าเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยนะไม่ต้องไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าน้อมถึงพระเดจ้าได้ทุกที่พระเจ้าจยัางน้อมเลยขับรถปุ๊บปุ๊บไปนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำท่าทำท่าหน่อยล้างบ้วนปากให้สะอาดนะไหมจัดแจงเพราะมันได้ที่ตรงนั้นแล้วน้อมสมาทาน คิดไได้แล้วเปล่งว่าจาออกมาก็ได้แล้วคือตั้งใจงดเว้นเนี่ยถือเป็นสมาทานเข้ า, านใจนะนะทีนี้นะถ้าโปรพื้นฐานระดับนี้ถ้ากลับมาถามไม่เข้าใจนี่หมมันหน้าเลยต่เนี้ยเข้าใจยางทีนี้ที่ไปรับกับพร้านเนี่ยเขาเรียกเป็นพิธีการเท่านั้นเอง ไม่มีพระรักษาไม่ได้ยุ่งเลยแล้วใาอย่างนั้นล่ะพระหมาเชนนกน่ะสมาทานโบสถ์ศีลกลามทะเลมีพระที่ไหนไปให้ศีลท่านล่ะเรือเรือก็จะล่มอย่างนั้นถ้ายัางยอมยอมไปไหมต่อหปไปเป็นพระก็ไม่ไปนั่งนะนี่พูดได้ออกนอกเรื่องเลนแต่จริงๆก็คือว่าไม่ต้องอาศัยพระอาศัยความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจสมาทานก็ไม่เป็นนี่เป็นยังไงเอาที่สมาทานยน่อมนุ่นฉีกถึงนี้เลยเนี่ยเนี่นนยปากฉีกถึงนี้เลยเนี่ยไไนี่ตรงนี้พอเข้าใจแล้วเนาะเอาพอเข้าใจตรงนี้เด็ดเสร็จแล้วก็ถ้าวิรัตนี่นะโดยวิรัตตีเนี่ยจะปรากฏชัด ตอนที่มีอารมณ์ที่กําลังปรากฏเช่นมีสัตว์ที่จะทําให้ฆ่าแล้วเราไม่ฆ่าอันนี้เป็นเวรัวิเวรติชัดหรือมีบุคคลที่จะให้เราพูดเท็จแล้วเราก็งดเว้นได้ในขณะนั้นอันนี้เวรติปรากฏชัดนี่เข้าใจใช่ไหมนะเจตนาศีและเจสิกสีเนี่ยเกี่ยวข้องกุศลกรรมบทเดตามที่กล่าวไปแล้ว ฉะนั้นเจตนาที่เป็นไปในกุศลกรรมบดเนี่ยนะโดยลําดับของบุคคลผู้ประหารอยู่ซึ่งทุกเจติตั้งหลายมีปาณาติบาเป็นต้นทีนี้เจตนาที่เป็นไปในลักษณะว่าจักไม่กระทําเป็นต้นเราจักไม่ทําเราจักไม่ข้าเป็นต้นเน่ยประหารอยู่ซึ่งอำ น, นาจของเจตนาศีลเป็นต้นน ะ, ะนะส่วนถ้าหากว่าเจต ส, สิกศีลก็บอกว่ากระทํากรณีการที่จะงดเว้นจากบาปประทำทั้งหลายที่เป็นไปในเรื่องการที่จะเป็นไปที่จะงดจาก เป็นจากอกุศลกรรมบทสิอันนี้ก็เป็นเจตสิกสีลที่เป็นไปในส่วนของสมาวจาสมากัมมาันตา์สมาชีวะแล้วก็เป็นอนาพิชชาอภิยาบาที่ก็สมมามิจฉิตรงนี้เขาก็เกิดต่างกันใน ล, ลักษณะอย่างนี้อันนี้พอจะสรุปได้พอพ อ, พอประเด็นนิดหน่อยตรงนี้นะอ่าตรงนี้เปิดประเด็นให้ถามหนึ่งข้อแล้วได้สรุปจบเลยยังไม่จบไปตัวสังวรศีกาวิจิกรมศีลก็ถ้ามีโอกาสก็อ่อยต่อถ้าไม่มีโอกาสก็ ศีลยังไม่จบศีลยังได้มาแค่แค่นี้นิดยังไม่ยังไม่ได้ไปสรุปตรงครําว่าศีลละนะยังไงเลยตรงเนี้ยแค่บอกรายละเอียดนะยังไม่ได้ไปประชุมคําว่าศีลละนะ่ะทำกายกรรมบจีกรรมให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่เกินคนไม่กระจัดกระจายยังไงแล้วก็เป็นคุณธรรมรองรับเป็นฐานรองรับเป็นภ า, าชนะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงข่าวคือสติปัฏฐานสมมปทานอิทธิบาทอินทรีพระรพุทธชฌาอริยมรรคย่างไรยังไม่ได้ไปปฏิบาตตรงนั้นเลย เข้าใจใช่ไหมอันนี้อธิบายเพื่อหเห็นความต่างกันระหว่างเจตนาศีกับเจตสิกสีนแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบบ้างเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆอ่ะนะหมดเวลาแล้ว <c oughs> นี่หมดเวลาแล้ว <c oughs> นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องสีนั้นต้องต้องเข้าใจให้มันชัดชัดกว่า น, นี้จริงไหมโยนวของตรงนี้ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะเราท่านทั้งหลายก็ไปพอกคูณ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 ไม่เห็นคุณของพระโรมศสาสดาก็น่าเสียใจนะใช่ไหมใช่เราท่านทั้งหลายก็ต้องมุ่งมันถ้าปรารถนาในการที่จะพ้นจากว่าตาคนอยางทุกข์ถ้างั้นเราจะได้ไม่แช่อยู่ในว่ตาทุกข์เป็นต้นไป น, นี่ก็สมควรเยวาวนะ์เอ่าถามได้อริออยบุรุษดํานดเนินหรือเดินอยูงไห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 ก็ต้องเพียรพยายามต้องระดมความเพียรค่อนข้างเยอะกรณีอย่างการเดินกุศลศีลเป็นต้นก็นในระยะอย่างนี้นก็แปลว่าต้องไม่ให้กุศลศีลหยุดชะงักเป็นระยะระยะต้องเดินให้ต่อนนเนื่องก็เลยดำเนินไปแล้วก็เดินใช้คำอัอกตริยามการเดินให้รู้แต่เวลาตัวกุศลศีลเกิดตอนนี้เราเริ่มรู้จกักศีลบ้างแล้วรู้จักเจตนาเจตสิกต่อไปก็มีหน้าที่ในการถัก ด, ดันขับเคลื่อน ทำให้เจตนาศีลเดินทำให้เจตสิกศีลเดินถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้หยุดชะ ง, งักก็ใช้ปัญญานี่แหละในการที่วิจัยพิจารณาเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นโทษของสังสารวัตรเป็นต้นก็ขับเคลื่อนผักดันให้กุศลศีลเดินไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจใช่ไหมนี่ เ, เรียกวเดินหรือดำเนินไปพอเข้าใจเนาะเหมือนรถเนี่ยขับไปแล้วมันเกิดน้ํามันหมดหรือเกิดเสียกำลา ง, างจะดําเนินไปถึงบ้านได้ไหม จะเดินไปถึงบ้านไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้กุศลศีลของเรายัางไม่ถึงโลกุตละมักเพียงไรเราหยุดเดินไม่ได้ต้องเดินกุศลศีลอันเนี้ยขับเคลื่อนกุศลศีลเนี่ยให้ไปตามลําดับเพื่อถึงประชุมในโลกุตละให้ไดนั่นคือเป้าหมายของทุกคนเข้าใจยไหะนั่นแหละเป็นกิจที่พระบรมศ า, ศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ตถาคตกระทําวก แกพวกเธอจิตอันนั้นตถาคตทําแล้วดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นรองปางคือจงไปจงระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงก็บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอย่าได้มานั่งเสียใจนะภายหลังตอนนี้มานั่งเสียใจกันหรืยังเสียใจแล้วเพอเราปล่อยสังสารวัตรผ่านมาสองพันกว่าปี พระเจา้าทํากิจของพระองค์เปียดเจบอกละเอียดทียิบพราะองค์ทํากิจของพระองค์บริบูรณ์แต่พวกเรานี่ทํากิจของตนเองไม่บริบูรณ์นะแล้วเราก็เลยมานั่งทกใจเสียใจกันอยูอย่เนี่ยโอ้ยปวดหัวเหลือเกินโอ้ยจะต้องทำโน้นทํานี้เนี่ยมันนั่งเสียใจไปหลังก็เพราะเราไม่เชื่อพระปรมาศรีดาใช่ไหมก็จําใส่ใจไว้ว่านีพระศาสดาทํากิจของท่านเสร็จแล้วแต่พวกเรายังทํากิจของตนเองไม่เสร็จเลยยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ย ต้องระดมความเพียรในอย่างดีงนี้ต้องระดมเพื่อถึงธรรมเพื่อบรรลุธรรมเพื่อทำให้แจ้งจะได้ไม่เสียใจในภายหลังจะได้ไม่ปวดใจในภายหลังจะได้ไม่มทุกข์ใจในภายหลังจะได้ไม่ม่นั่งร้องไห้ใช่ไหมทุกวันเราร้องไห้จนน้าตาจนจนมากกว่าน้ำในมหาสมุทรกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นโทษของสัมสารวัดกันสักทีใช่ไหมพระศาสดามีพระอรหากรุณามีพระเมตตาใช่ไหมประทานให้แล้วแล้วเรา แต่เราก็ไม่เจาะถึงพัธรรมของพระพุทธเจ้าสัทีเลยก็เลยไม่ได้ขัดเก่ากันเข้าใจใช่ไหมแต่นี้ก็ก็เล่งระดมกันอะต่อไปก็อุด<ร>ไหมค<ร>าถาสังคหาคถาสังคหาก็เป็นเป็นหมวดของอของเกี่ยวกับในเรื่องของอาการรวบรวมการรวบรวมคาถา ถ้าเป็นการรวบรวมพุทธพจน์ก็เรียกการรวบรวมพุทธพจน์ร้อยกองเป็นคาถาคำว่าคาถามันก็เป็นออบทขับอย่างยกตัวอย่างที่บทสวดบทขับทั้งหลายใช่ไมเป็นคาถาทั้งนั้นอะอภิวันตสีริสานิจังวุฒาปจายโนเนี่ยจัดารุดามาวัทันติอโยวันโอสุขังบลงเนี่ยนี่เป็นคาถาเป็นบทขับ ก็อยากจะมาเนี่ยลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยใช่ไห ม, ไหมแต่ก็คือนะั่นแหละท่านมารวบรวมคําว่าสังหามารวมมันร้อยเกาะ ม, มารวบรวมทําให้เป็ น, นเราจะได้สาธยายจะได้เกิดความลึกซึ้งในพระธรรมจําสอนของพระบรมศาสดาเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปก็อุทิศเสด็จกุศลกันดีนหมนะ